วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบพฤษภาคมพุทธศักราชสอง6ันห้าอสเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหา พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีรสที่เหนือกว่ารสทั้งปวงคือรสของธรรมก็คือความสุขของธรรมเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแม้ว่าจะเป็นสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผพระ มากน้อยเพียงไรก็ตา mm. ่างจะซู้ความสุขที่ได้จากรถแห่งธรรมไม่ได้รถ mm. แห่งธรรมนี้เป็นรถที่ให้ความสุขกับจิตใจเป็นอย่างมากและเป็นรถที่จะอยู่คู่กับใจไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุด ต่างจากความสุขที่ได้จากโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็หมดไปไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขไปเป็นระยะเวลาอันยาวนาน <c oughs> หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขที่ได้จากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จังยังจะอยู่คู่กับใจต่อไป อย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความสามารถที่จะแยกแยะระหว่างความสุขทางโลกและความสุขทางธรรมได้<ม>ก็จะเข้าหาความสุขทางธรรมมากกว่าความสุขทางโลก ด้วยการพยายามศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีสร้างความสุขให้กับใจ <c oughs> ให้มากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้น <c oughs> สูงสุดทำที่พระเจ้ทาทรงสอน <c oughs> ให้ชาวพุทธเหล่านั้น ปฏิบัติและสร้างกันอย่างสม่ำเสมอ น, นี่ก็เรียกว่าบุญบารมีนี่เองบุญบารมีนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจนี้มีความสุข <c oughs> และมีความสุขขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติของบารมีขั้นต่างๆ บารมีที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาศึกษามาปฏิบัติกันนี้ก็ได้แก่หนึ่งเมตตาบารมีสองทานบารมีสามสีลบารมีสี่เมขมะบารมีห้าอุเบกขาบารมีและหกปัญญาบารมี นี่คือคุณธรรมที่จะผลิตความสุขให้กับจิตใจในระดับต่างๆในระดับง่ายขึ้นไปสู่ระดับยากใน mm hmm. ในระดับน้อยขึ้นไปสู่ระดับมาก mm hmm. ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติบุญบารมีเหล่านี้ mm hmm. บุญบารมีข้อที่หนึ่งที่ พุทธบริษัทควรที่จะปฏิบัติกันก็คือเมตตาบามี <c oughs> คำว่าเมตตานี้แปลว่าความปรารถนาดีต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสรรพสัตตาเอเวลาโหนตุคือมีความปรารถนาดีไม่มีความ อาฆาตมาด ร, ร้ายอาฆาตพยาบาทจองววนจองกรรมกับใคร mm hmm. เรียกว่าสัพเพสัตตาอเวราโหตุ mm hmm. มองทุกคนว่าเป็นเพื่อนกัน mm hmm. เป็นเพื่อนในโลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาสร้างความทุกข์ให้แก่กันและกันเพิ่มมากขึ้นไปเพราะแต่ละคนที่มาเกิดนี้ก็ ต้องมาเจอกับความทุกข์กันอย่างแสนสาหัสอยู่แล้วไม่ควรที่จะต้องมาเพิ่มความทุกข์ให้แก่กันและกันเลยควรที่จะมาแบ่งเบาความทุกข์ให้น้อยลงไปจะดีกว่าแบ่งเบาความทุกข์ด้วยความมีมีเมตตาต่อกันเมตตานี้วิธีที่จะทำให้เรามีเมตตาลึก หรือเจริญเมตตานี้ไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์บทแผ่เมตตาการสวดบทแผ่เมตตานี้ยังไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาการที่จะแผ่เมตตาหรือการที่จะให้ความเมตตาต่อผู้นี้จาเป็นที่จะต้องให้จากการปฏิบัติจากการกระทา ไม่ใช่จากความคิดที่เราสวดกันภายในใจหรือออกเสียงเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรามักจะสวดบทแผ่นเมตตากันสัพเพสตาอเวราโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดสัพเพสตาอปยาปชาโหตุขออย่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่า เบียดเบียนกันเถิดอานิคาโหตุอย่าสร้างความทุกข์กายทุกใจให้ต่อกันเถิดสุขีอัตานังปริหะรันตุจงให้ความสุขต่อกันเถิดนี่คือ <c oughs> วิธีการแผ่เมตตาเวลาที่เราสวดนี้ เป็นการสวดเพื่อทบทวนความจำให้เราจำไว้ว่าเราต้องมีความเมตตาด้วยการไม่จองเวรด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยการไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นด้วยการให้ความสุขแก่ผู้อื่น <S <S 1> <S 1> ตอนที่เราสวดนี้เรายังไม่ได้แผ่เพราะไม่มีผู้รับเป็นเพียงแต่ เป็นการทบทวนวิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้องว่าจะต้องแผ่อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมแล้วเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์เวลาที่เราไปเจอกับบุคคลต่างๆแล้วเกิดมีอะไรขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องแผ่เมตตาอย่างไร เช่นถ้าเราทำงานหรือทำอะไรกับคนพูดปะกกับคนบางทีก็อาจจะมีการพลาดพั้งมีการกระทาที่เกิดความเสียหายถ้าเราเกิรับความถ้าเกิดความเสียหายกับเราถ้าเราต้องการแผ่เมตตาเราก็ต้องให้อภัยผู้ที่เขาทำความเสียหาย เดือดร้อนให้กับเราให้นี่ลนะต้องต้องทำตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงๆเอาเวลาโหนตุแทนที่จะไปโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราต้องให้อภัยต้องไม่จองเวรจองกรรมกรรมย่อมระงับเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเวร ย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราไปจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทล้างแค้นกันมันก็จะทำให้เรานี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันและกันจะทำให้เรานี้จะต้องต่อสู้กันทำร้ายล้างกันเวลาที่เราพบปะกันแต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้ยกโทษ ไม่ถือโทษกอดเครืองคิดเสียว่าเป็นกรรมของเราก็แล้ว ก, กันเวลาที่เกิดการกระทาของบุคคลอื่นแล้วมาทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนให้กับตัวเราเราก็อย่าไปโทษเขาเรามาโทษตัวเราดีกว่าว่ามันเป็นกรรมของเราอยากจะมาเกิดในโลกนี้เมื่อมาเกิดในโลกนี้มันก็จะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ เจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนาหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาต้องเจอกับความแก่เป็นธรรมดาเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเจอกับความตายเป็นธรรมดาเจอกับการพัดพากจากของรักของเจริญใจเป็นธรรมดาเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเป็นธรรมดา ให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาแล้ ว, ลวเกิดความเสียหายกับเราแทนที่เราจะไปโกรธเกลียดคนที่เขาทําเราให้อภัยเขาไปคิดเสียว่ามันเป็นกรรมของเราเป็นโทษของเราที่มาเกิดกันถ้าไม่มาเกิดเราก็จะไม่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ ดันอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเราดีกว่าเพราะถ้าาโทษตัวเราแล้วปัญหาก็จะจบการจองเวรจองกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นมาใครก็จะพูดอะไรทำอะไรด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามอันนี้เป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราบังคับใจของเราไม่ให้ไปจองเวรจองกรรมกับเขาได้ เพราะถ้าเราระงับความอาฆาตพยาบาทได้ใจเราจะเย็นใจเราจะมีความสุขใจเราจะไม่ไปนรกแต่ถ้าเราระงับความอาฆาตพยาบาทของเราไม่ได้แล้วเราไปล้างแท้นด้วยทำการอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะทำให้ใจเราร้อนเป็นไฟขึ้นมาเป็นไฟนรกขึ้นมา อันนี้คือการแผ่เมตตาการเจริญเมตตาต้องทำในขณะที่เราพบปะกันอยู่ในเหตุการณ์การจริงไม่ใช่อยู่อยู่คนเดียวตามลำพังสวนมนต์แล้วก็แผ่เมตตาอันนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการทบทวนเป็นการเตือนความทรงจำว่าเราต้องไม่จองเวรจองกรรมกับใคร เราต้องให้อภัยทุกๆคนทุกๆสิ่งที่มาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเราคิดเสียว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่มาเกิดในโลกนี้เมื่อมาเกิดในโลกนี้แล้วมันก็จะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ปราถนาบ้างเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่จะสามารถรเผชิญกับเหตุการณ์ ที่ไม่พึงปรานาได้อย่างสงบได้อย่างสบายถ้าเรามีความเมตตาคือมีการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมนี่คือลักษณะที่หนึ่งของการให้ความเมตตาต่อผู้คือให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันลักษณะที่สองของความเมตตาก็คือไม่เบียดเบียนกัน คือไม่กระทำอะไรที่จะไปทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเช่นเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาอย่างนี้ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้การกระทาของเราก็จะไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น เวลาเราทำอะไรเราต้องดูถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าทำไปแล้วจะทำให้ผู้อนเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่มถ้าเสียหายเดือดร้อนเราก็อย่าไปทำดีกว่า<ม>สิ่งที่เราได้มามันได้ไม่คุ้มเสียเ<ม>พราะเราจะเสียความเมตตาไปแล้วเราก็อาจจะไปสร้างศัตรูขึ้นมาสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาต่อไป น, นอย่าไปทำอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอแล้วข้อที่สามก็อย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นอย่าไปทุบตีอย่าไปทำลายที่ทำให้เขาเสียใจห<อ>รือเคียดแค้นเศร้าเศร้าใจอันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น ให้ความทุกข์กับเขาความทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราไม่ให้ความทุกข์กับเขาความทุกข์นั้นก็จะไม่กลับมาหาเราถ้าเราไม่อยากจะให้มีความทุกข์เราก็อย่าไปให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นนะข้อที่สี่ของความของการให้เมตตาก็คือให้ความสุขแก่ผู้เรามีอะไรที่เราพอจะ แจกจ่ายแบ่งปันให้กับผู้เขาได้เช่นเรามีข้าวของเงินทอง<ม>เหลือกินเหลือใช้<ม>เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เราก็เอาของส่วนเกินส่วนนี้มาบริจาคมาแจกจ่ายมาช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าให้ความสุขกับผู้หรือบรรเทาความทุกข์ ของผู้ให้เขามีความสุขมากขึ้นให้เขามีความทุกข์น้อยลงนี่คือวิธีการแผ่เมตตาสี่วิธีด้วยกันที่เราสวดกันแต่ยังไม่ได้แผ่จะแผ่ต้องเวลาที่เรามาเจอกันเช่นพอเราเจอกันเราอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเราทำไงเรายกมือไหว้เขาตอนนี้นะ่ะ ยกมือไหว้เขายิ้มให้เขาทักทายเขาอันนี้ก็ทำให้เขาเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วแทนที่จะมีหน้าตาบึ่งตึงมีหน้าตาโมโหไม่ยิ้มแย้ม อ, อันนี้ไม่ไม่ยกมือไหว้อย่างนี้มันก็จะทำให้เขารู้สึกไม่ดีขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุข จากการให้ความเมตตาต่อผู้อื่นเราต้องทำสี่ประการนี้ไม่จองเวรกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันให้ความสุขต่อกันอ น, นิสงส์ที่เกิดจากการมีความเมตตานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าจะทำให้ใจเหล่านี้มีความสุข ทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับ <doom. S 2> ตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะไม่ตายด้วยยาพิษหรืออาวุธเพราะว่าเราไม่ได้ไป ส้างศัตรูเราไม่มีศัตรูกับใครก็จะไม่มีใครที่จะมาคิดปองร้ายเราด้วยการใช้อาวุธหรือใช้ยาพิษต่างๆแล้วก็เวลาที่เราทำใจให้สงบฝึกสมาธิใจจะสงบง่ายเพราะไม่มีนิวร์เช่นไม่มีไม่มีความโกรธ ไม่มีการอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจเราเวลาทำสมาธินี้ใจจะสงบง่ายแล้วเวลาที่จะตายก็จะไม่หลงจิตใจจะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวตลอดเวลาจะไม่หลงเป็นคนบ้าเวลาที่จะตายแล้วเวลาถ้าตายไปถ้ายังไปไม่ถึง วิพา์ก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างแน่นอนนี่คือประโยชน์จากการที่เราปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเมตตามบารามีมันพยายามสร้างเมตตาบารามีอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเรานี้จะมีความนุ่มเย็นเป็นสุขจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง เราจะเห็นความแตกต่างเวลาที่เราอาฆาตพยาบาร์กับเวลาที่เราให้อภัยตอนที่เราอาฆาตพยาบารนี้ใจเราจะลุกจะร้อนเป็นไฟแต่พอเราได้สตินึกถึงว่าเราต้องแผ่เมตตาเราต้องให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมพอเราให้อภัยได้เลิกจองเวรจองกรรมได้ ใจเราที่ร้อนก็จะกลับมาเย็นสงบมีความสุขทันทีนี่คือการสร้างความสุขจากการปฏิบัติพระธรรมคาสอนที่ให้สร้างกันอยู่อย่างสม่าเสมอก็คือเมตตาบามีเมตตาเป็นเป็นธรรมขจุนโลกโลกเราจะอยู่ร่วมกันอย่างนุ่มเย็นเป็นสุข เพราะเรามีความเมตตาต่อกันความสุขที่มีจากราบยศรรเสริญสุขนี้มันจะไม่มีความหมายอะไรถ้าขาดเมตตาถ้าคนเรามีแต่ความมาคาดมากลายจองเวรจองกรรมจองเลียดจองชังกันเบียดเบียนกันทำลายร่างกายและจิตใจกันไม่ให้ความสุขต่อกัน ข้าวของเงินทองที่มีมากน้อยเพียงหลายนี้มันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะใจจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับการาสร้างโลกกะระมคือลาบยศสรรเสริญสุขกันให้เรามาสร้างคุณธรรมที่เป็นลดแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงกันจะดีกว่า ด้วยการเจริญด้วยการแผ่เมตตาให้กันและกันอยู่เรื่อยๆข้อที่สองของการสร้างความสุขให้กับใจก็คือการสร้างทานบามีนี่ทานก็แปลว่าการให้ให้สิ่งที่เรามีอยู่ก็ให้แบ่งประโยชน์สุขที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นในส่วนที่เราแบ่งได้ที่เราไม่เดือดร้อน เรามีไว้เราก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ไก็เอาไปแจกจ่ายกันดีกว่าสร้างทานบารมีการทําทานนี้จะยกระดับจิตใจของเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในตอนนี้ให้ขึ้นสู่ระดับของของเทพของเทวดา เวลาตายไปใจเราจะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าเราไม่ได้มีทานไม่ได้สร้างทานบารมีเนี่เราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์เวลาที่เราตายไปแล้วเวลาเรากลับมาเกิดเราก็จะไม่เกิดแบบมีฐานะแบบร่ำรวยถ้าเราทำทานเนี่ย ตายไปเราจะไปสวรรค์พอลงมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคั่งมั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยกตัวอย่างของการสร้างทานบารมีคือพระเวชสันดรซึ่งเป็นซึ่งเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะมาตัดสินเป็นพระพุทธเจ้า ท่านก็เป็นพระเวชสรรดรที่มีความความที่มีการให้ทําบุญให้ทานอย่างอย่างมากมายกายกองยินดีที่จะเสียสละข้าวของเงินทองและสิ่งต่างๆให้แก่ผู้นโดยที่ไม่มีความรู้สึกเสียดายเลยการทําบุญทําทางของพระเวชสรรดร น, นี้ทําให้เวลาที่ท่านตายไป ท่านก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์เลแล้วพอลงจากสวรรค์มาก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะพอมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้เป็นพระราชกุมารเป็นลูกของพระกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองมากมายเช่นมีปราสาทสามฤ ด, ดูไว้ประทับ ในรูดูต่างๆให้มีความสุขทางตาอย่างเต็มที่พร้อมทั้งมีบริษัทธมีบริวารที่มาคอยอำนวยความสะดวกความสุขให้ตลอดเวลาพร้อมทั้งมีราพมอมต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่างอย่างบริบูรณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นี่คืออ น, นิสงของการทำทานสร้างทานบารมีอย่าไปเสียดายเงินทองถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เอาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีต้องเก็บเอาไว้เอาไปทำสร้างทานบารมีดีกว่าเพราะถ้าเก็บไว้เฉยๆมันไม่เกิดอะไรไม่เกิดประโยชน์ท่านราศกรเราตั้งในขณะที่เราอยู่และขณะที่เราตายไปแต่ถ้าเราเอาทรัพ ที่มีที่เราไม่ได้ใช้นี้เอาไปทำบุญทำทานได้ใจของเราจะมีความสุขสุขทั้งที่ตั้งแต่ยังไม่ตายใจเราเป็นเทวดาตั้งแต่เรายัางไม่ตายสุขของเทวดาแล้วเวลาตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาแล้วเวลากลับมาเกิดก็กลับมาเกิดร่ำรวยกับเก่า เคยเป็นเศรษฐีเท่านี้กลับมาคราวหน้าก็จะล่ํารวยกว่านี้ด้วยอํานาจของทานบารมีที่เราได้สร้างไว้การทําทานนี้ก็สามารถทําได้หลายรูปแบบด้วยกันได้อา น, นิสงส์เหมือนกันคือได้ความสุขใจเหมือนกันไม่ว่าเราจะทํากับใครก็ตาม แต่สิ่งที่บุคคลที่เราควรจะทำต่อนก็คือบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาผู้ย่าตายายผู้ให้กําเนิดผู้ที่เลี้ยงดูเราให้เราจเจริญเติบโตขึ้นมาให้เราได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายในทุกวันนี้ก็เกิดจากความเมตตาของบิดามารดาผู้บังเกิดเก่าของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นเราไม่ควรลริมบุญคุณของท่านถ้าเรามีมีอะไรที่จะมอบให้กับท่านได้ก็ควรที่จะทำเป็นการทำทานเพื่อทดแทนพระคุณ<ม>เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นสัญลักษณ์ของคนดีคนเราจะดีไม่ดีขอให้เราดูที่ความกตัญญูนี้เป็นหลัก ถ้าคนนี้ไม่มีความกาตาัญญูนี่แสดงว่าเป็นคนที่มืดบอดเป็นคนที่ <c oughs> ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เห็นคุณไม่เห็นบุญคุณของผู้อื่นที่มีกับตนจะเป็นคนที่ไร้คุณค่าเพราะจะไม่มีใครที่อยากจะให้ความช่วยเหลือเพราะว่าช่วยไปแล้วก็ ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีความสำนึกในในในความเมตตาของผู้ที่มีกับตนช่วยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ไม่ช่วยดีกว่าปล่อยให้อยู่ไปตามตามบุญตามกรรมของเขาดีกว่ า, าการทำทานนี้มีหลายสาเหตุด้วยกันเบื้องต้นเราควรทำทานเพื่อแสดงความกตัญญูกตวเวที เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่วีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปุย่าตายายปุย่าตายายก็เป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดาของเราถ้าไม่มีปุย่าตายายก็จะไม่มีบิดามารดาเมื่อไม่มีบิดามารดามันก็จะไม่มีเราเราก็จะไม่มีที่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าปุย่าตายายท่านยังมีชีวิตอยู่ เราก็ต้องดูแลท่านเหมือนกับเราดูแลบิดามารดาเพราะท่านเคยดูแลเรามาเมื่อถึงเวลาที่เราต้องดูแลท่านเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องทดแทนบุญคุณอย่าลืมพระคุณของคนถ้าอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่คนอื่นเขาเคารพนับถือต้องเป็นต้องมีความกาตัญญูกตเวที ถ้าไม่มีความกาตัญญูแล้วจะไม่มีใครเขาเห็นคุณคุณค่าในตัวของเราเพราะเราไม่มีคุณค่าอะไรมีแต่ความเห็นแก่ตัวคนที่ไม่มีความกาตัญญูนี้มักจะเป็นคนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวคิดแต่ประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่ยอมคิดถึงบุญคุณของผู้อื่นที่ต้องทดแทน อันนี้ก็เรื่องเป็นการทําทานเหตุผลนั้นแรกที่เราควรจะทําทานก็ทําทานเพื่อทดแทนบุญคุณเพื่อความกตัญญูกตเวทีบิดามารดาและปู่ย่าตายายแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้กับเราทั้งทางโลกและทางธรรมครูบาอาจารย์ทางโลกก็ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยินท่านหรือไปอะไร ก็ไปทำกันถ้ามีอะไรที่จะช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันไปโรงเรียนที่เราได้ศึกษามาเราก็ถ้าอยากจะสนับสนุนให้โรงเรียนมีสิ่งที่จําเป็นที่ขาดแคลนก็สามารถทำทําบุญกับโรงเรียนได้ซื้ออุปรกรณ์การศึกษาต่างๆหรือถ้าขาดหรืออะไรก็บริจาคเงินไปให้กับโรงเรียน ื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของโรงเรียนที่ให้ความรู้กับเราแล้วก็ทดแทนบุญคุณกับพระศาสนาที่ให้ความรู้ทางธรรมกับเราด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัยสีเช่นอาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งห่ม กุติที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคและสร้างสถาววัตถุต่างๆเช่นโบ่เจดีไว้สำหรับทากิจกรรมทางศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำทานหรือทำบุญเพื่อแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อบุคคลหรือต่อสถาบันที่ ให้คุณประโยชน์กับเราทดเราต้องรู้จักบุญคุณและโทษแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณถ้าเราได้ทำส่วนนี้เสร็จแล้วถ้าเรายังอยากจะทําอีกเราก็ทําตามความปรารถนาะที่เราปรารถนาก็ได้ถ้าเรารักสัตว์สงสารเห็นสัตว์นี้ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นสุนัขจรจัดหรือแมวหรืออะไรที่ไม่มี ใครดูแลไม่มีอาหารก็สามารถเอาซื้ออาหารไปแจกสัตว์เหล่านี้ก็ได้หรือเราอยากจะถ่ายชีวิตของสัตว์เช่นวัววัวควายที่จะถูกเอาไปฆ่าเราก็ไปถ่ายชีวิตเขามาให้เขาได้อยู่ต่อไปเพราะเราก็เห็นคุณค่าของการมีชีวิตว่ามันมันเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าอย่างยิ่งชีวิตเราสำคัญขนาดไหนชีวิตของผู้อื่นก็สาคัญเท่ากันถ้าเราสามารถช่วยต่อชีวิตของผู้อืน่นให้เขาได้อยู่อยู่ต่อไปอได้มันก็เป็นการสร้างความสุขให้กับเรานั่นแหละเวลาที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราเห็นเขาได้รับความสุขเราก็จะเกิดความสุข ข, ขึ้นมาในใจของเรา การทำทานนี่ก็เพื่อสร้างความสุขให้กับใจของเราด้วยเหตุผลต่างๆ<ม>ทำทานด้วยความกตัญญูทำทานด้วยความเมตตากรุณา<ม>เห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร<ม>้อนก็เกิดความสงสาร<ม><ม>อยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าทำทานด้วยความเมตตากรุณา<ม><ม>เพื่อให้บรรเทาความทุกข์ยากลําบากของผู้อื่น ยังวิธีการทำทำทานนี่มีหลายวิธีด้วยกันและผลอ น, นิสงส์ที่ทําก็จะได้เหมือนกันคือถ้าปริมาณของการทําทานของเราเท่ากันเช่นบริจากเงินก้อนหนึ่งให้กับโรงเรียนหรือให้โรงพยาบาลหรือให้กับวัดถ้าเป็นปริมาณที่เท่ากันบุญที่เกิดจากการทําทานอันนี้ก็จะเท่ากัน บุญนี้ก็คือความสุขใจที่เป็นที่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสวรรค์ที่จะตามมาต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว<ม>ก็จะได้สวรรค์ชั้นเดียวกัน<ม>ถ้าเราทำบุญในปริมาณที่เท่ากันไม่ว่าจะทำบุญกับใครก็ตามเรื่องของการเลือกบุคคลทำบุญเพื่อให้ได้อา น, นิสงส์เพิ่มมากขึ้นนี้ มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่มันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้จากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะได้สิ่งที่เราไปทำกับบุคคล น, นั้นกลับมาบางอย่างเช่นถ้าเราไปทำบุญกับโรงเรียนเราก็จะได้คุยกับครูอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับด้านการศึกษาถ้าไปทำบุญกับโรงพยาบาลเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ว่าจเจริญก้าวหน้าไปอย่างไรถ้าเราไปทำบุญกับพระเนี่ยพระก็มีหลายระดับเนี่ยเป็นพระทรงศีธรรมดาหรือเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสโสดาบันพระสกิดาคาพระอนาคาพระอรหรันเนี่ย บุคคลเหล่านี้ก็มีความรู้ทางธรรมมากน้อยไม่เท่ากันถ้าไปคุยกับถ้าไปทำบุญกับพระผู้ทรงศีลท่านก็จะสอนเรื่องศีลให้เราท่านจะสอนเรื่องที่สูงไปกว่า น, นั้นก็สอนไม่ได้เพราะท่านยังไม่รู้ถ้าไปทำบุญกับพระโสดาบันท่านก็จะสอนทมระดับขั้นโสดาบันว่าปฏิบัติอย่างไรจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ถ้าไปทำกับพระสกิรดาคาท่านก welche, aan, ็จะสอนขั้นของพระสกิดาคาถ้าไปทำบุญก right> ับพระอนาคามีท่านก็จะสอนเรื่องการปฏิบัติใ mm. ห well ้บรรลุธรรมขั้นของพระอนาคามีถ้าไปทำบุญกับพระอรหันต์ก็จะได้ทำระดับพระอรหันต์ถ้าได้ทำกับพระพุทธเจ้าก็จะได้บุญในระดับของพระพุทธเจ้า ที่มีความที่มีความมากน้อยต่างกันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนีอันนี้เป็นประโยชน์เป็นเหมือนกับเป็นโบนัสเป็นของแถมแต่ของโดยหลักของที่เราได้จากการทำบุญทำทานก็คือความสุขใจอิ่นใจความเป็นสวรรค์ของใจจากการเสียสละแบ่งปันนี้ไม่ว่าจะทำกับใครถ้าปริมาณเท่ากันนี้ จะได้ความสุขเท่ากันจะได้สวรรค์ชั้นเดียวกันทำบุญก้อนเอาเงินก้อนหนึ่งทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือเอาไปทำบุญกับพระธรรมดาบุญที่เกิดจากการทำบุญด้วยเงินก้อนนี้จะเท่ากันแต่สิ่งที่เราจะได้รับกลับจากพระพุทธเจ้ากับพระทรงศีล น, นี้ไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทำกับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ทำมันทำสูงสุด ทำกับพระผู้ทรงศรีลเราก็จะได้ทําในระดับขั้นศีลเท่านั้นเองอยังไม่สามารถที่จะได้ทําระดับสมาธิหรือปัญญาได้นี่คือความแตกต่างจากจา ก, การทําบุญกับบุคคลต่างๆอา น, นิสประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลเหล่านี้ต่างกันเนื่องจากความรู้ความสามารถของบุคคลต่างๆเหล่านี้ไม่เท่ากันนั่นเอง ความรู้เขามีมากเขาก็จะให้ความรู้เรามากความรู้สูงเราก็จะได้รับความรู้ที่สูงขึ้นไปนี่นี่คือเรื่องของการทําทานมีหลากหลายวิธีด้วยกันแต่โดยหลักแล้วก็ทําเพื่อ <c oughs> ทําเพื่อทดแทนบุญคุณทําเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีทําเพื่อสงเคราะห์เมตตากรุณาบรรเทาทุกความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่น แล้วก็ทำเพื่อให้เกิดทาเพื่อให้เรามีความสุขบางทีเราชอบทำบุญชนิดไหนทำแล้วมีความสุขเราก็ทำบุญชนิดนั้นไปก็ได้โดยที่ไม่คำนึงถึงผู้รับว่าเขาจะเดือดร้อนเขาต้องการหรือไม่ก็ตามแต่เราทำแล้วเรามีความสุขเราก็อยากจะทำแบบนี้ก็ทำไปก็ได้แต่เป้าหมายก็คือให้เรา เสียสละแบ่งปันอย่ายึดอย่าติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่ได้ใช้และไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราถ้าเราเก็บไว้เฉยๆตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เอาทรัพย์ส่วนนี้มาแปลงเป็นสวรรค์ชั้นเทพดีกว่าเอามาทำบุญทำทานด้วยวิธีการต่างๆแล้วแต่ความพอใจของเรา เราพอใจที่จะทำบุญในลักษณะไหนแบบไหนก็ทำไปเพราะแต่ละบุญนี้ก็เป็นเหมือนอาหารอาหารชนิดต่างๆการทำบุญชนิดต่างๆก็เหมือนกับการรับประทานอาหารชนิดต่างๆอาหารก็มีรสชาติมีอะไรที่ต่างกันไปแต่เวลารับประทานเสร็จผลที่ได้ก็เหมือนกันคือให้ความอิ่มกับร่างกายดับความหิวของร่างกาย ชันใดการทำบุญทำทานนี้ก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารกับใจดับความหิวของใจได้ mm hmm. จะทําให้ใจนี้ไม่ต้องไปหิวกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ mm ่นรสผดถภาไม่ต้องไปหาความสุขจากการซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของแบรนด์เนมซื้อของที่มีราคาแพงๆ mm hmm. ผู้ที่เขาไปหาความสุขแบบนี้เพราะว่า เขาไม่ได้ทำบุญทำทานใจเขาถึงหิวโหวยหิวโหวยกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายความสุขจากข้าวของต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆอันนี้แต่ถ้าถ้าเป็นคนที่เอาเงินเอาทองไปทำบุญแล้วใจจะไม่หิวโหวยกับของพวกนี้จะไม่หิวโหวยกับการไปหาความสุขทางรูปเสียงกิ่นรสผธพระ จะไม่ต้องไปหาความสุขจากการไปซื้อของแพงๆซื้อของหรูหราซื้อของแบรนด์เนมมาอวดมาโชว์ชาวบ้านเขาเพราะมันเป็นความสุขผิวเผินเป็นความสุขเดียวๆและเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่จะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยจะต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าวันใดเวลาใดนี้เกิดมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะไปหาความสุขแบบนี้ได้ เงิ น, เ ง, นเงินทองหายไปหมดไปไม่สามารถไปซื้อของผู้มเฟยเหมือนเมื่อก่อนได้ใจก็อยู่ใจก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขหรือถ้าบางครัง้งบางขราวเกิดจำเป็นที่จะต้องไปติดทุกติดตารางอันนี้ก็ยิงย่งจะทำให้ใจเครียดขึ้นมาใหญ่เพราะไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายได้แต่สาหรับคนที่ทาบุญทาทางนี้ จะไม่รู้สึกเครียดมากใงเวลาที่ต้องติดคุกติดตารางหรือเวลาที่ไม่มีเงินทองที่จะไปไปเอาไปทําบุญหรือไปหาความสุขเพราะบุญที่ได้ทำไว้มันยังมีเก็บมันมีสะสมไว้อยู่ในใจมันยังไม่หมดมันทําให้ใจไม่ค่อยหิวโหวยทําให้ใจอิ่มทำให้ใจสบายนี่คือประโยชน์ความนิสงของการทาบุญทาทาน ให้ความสุขในปัจจุบันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และจะไ ม, ไม่ทำให้เราเป็นคนเหมือนติดยาเสพติดเราจะไม่ติดกับของหรูหราจะไม่ติดกับของแบรนด์เนมจะไม่ติดกับของฟุ่มเฟือยจะไม่ติดกับการหาความสุขจากการเที่ยวเต้นไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพชชนิดต่างๆเรา สามารถอยู่บ้านเฉยๆได้หรือถ้าไปอยู่วัดก็ไปอยู่ปฏิบัติทำได้อย่างสบายไม่หิวโหยกับเรื่องของกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆ น, นี่คือประโยชน์ของการทําทานอา น, นิสงส์ของการ ท, ทาําทานจะทําให้ใจเรามีความสุขมีความหิวมีความอิ่มไม่หิวโหยไปกับ โลกกรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญสุข <c oughs> นะครับบารมีข้อต่อไปก็คือศีลบารมีศีลบารมีก็คือให้เราละเว้นการกระทาบาปห้าข้อด้วยกันคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติประเพณีพูดปดดื่มสุรายาเมาที่จะทำให้ขาดสตินะอถ้าเราไม่กระทาบาป <c oughs> เราจะมีเราจะปิดประตูกั้นไม่ให้เราตกไปในอบายสี่นี้เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราจิตใจเราตกต่ำไปกว่าความเป็นมนุษย์ตอนนี้ใจเราเป็นมนุษย์นยแต่ถ้าเราเริ่มทำผิดสีนถ้าเราเริ่มฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ใจเราจะค่อยๆแปลงไปจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุรกายบ้างหรือเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับ การทำบาปของเราว่าเราทำบาปด้วยสาเหตุอันใดถ้าเราทำบาปเพราะความหลงความไม่รู้ก็จะเป็นเดรัจฉานถ้าเราทำบาปเพราะความโลภเราก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนรกถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกแต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ต้องไปไป ไปเป็นเดรัฉานเป็นเปรตเป็นอาูนแล้วกายแล้วไปนรกเนี่ยนี่คือประโยชน์อริสงของการรักษาศีลจะป้องกันไม่ให้จิตใจของเราตกต่ำตายไปถ้าเราได้ทำทานเราก็จะไปสวรรค์ทันทีแต่ถ้าเราทำทานด้วยแล้วก็ทำบาปด้วยแล้วถ้าบาปเราทามันมากกว่าทานที่เราทา บาปมันจะแสดงผลก่อนบาปมันจะดึงให้เราไปตกไปเกิดในอบายก่อนก่อนที่เราจะได้ไปสวรรค์นี้เราจะต้องไปอบายก่อนถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญแต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปนี้ตายไปเราก็จะไปสวรรค์ทันทีนี่คือบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำเพื่อให้เรามีความสุข เพราะการมีศีลนี้จะทำให้ใจเราเย็นใจเราไม่วุ่นวายไม่กังวลไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปทาอะไรผิดความวิตกกังวลว่าจะต้องถูกไปจับถูกจับไปลงโทษมันก็จะไม่เกิดเพราะว่าไม่มีความผิดอะไรเวลาเห็นตำรวจก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นตกใจแต่ถ้าได้ทำผิดกฎหมายได้ทำบา เวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจใจก็ะจะปล่อยความหวาดตัวขึ้นมานเวลาอยู่ก็อยู่อย่างไม่มีความสุขไม่มีความสงบเพราะต้องคอยวิตกกังวลต้องคอยหลบคอยซ่อนนี่คือเรื่องของการรักษาศีงรักษาใจของเราไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ไปเกิดในอบายและในขณะที่มีมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขไม่มีความวิตกหวายตัว การที่เราจะรักษาศีลได้นี้เราก็ต้องมีฮิลิโอตปะฮิลิก็คือความอายความอายเพราะการกระทำบาปนี้มันเป็นเป็นการกระทำที่ทำให้เรานี้ไม่น่าดูไม่น่าเอ็นดูไม่น่ารักไม่น่าชมปกติเวลาเราออกก่อนจะออกจากนอกบ้านเราต้องตรวจตาดูหน้าตาเราก่อนว่าสะอาดเรียบร้อยน่าดูน่าชมหม เพราะเราไม่อยากจะออกไปนอกบ้านถ้านหน้าตาเรานี้ดูไม่ดูไม่ได้เพราะเราอายอายในการที่จะให้คนอื่นเขาดูเราดูดูถูกดูแคลนเราดังนั้นศีนก็เหมือนกันศีลคือความสวยงามของใจนคนเราจะสว ย, ยางามหรือไม่สวยไม่งามนี้อยู่ที่ศีลเป็นส่วนหนึ่ง <น liness. S 2> ถ้าคนมีศีลนี้จะเป็นคนที่สวยงามจะมีคนไม่รังเกียจ เวลาถ้าเวลาเราจะทํางานกับใครหรือจ้างใครมาทํางานกับเราเราต้องดูดูก่อนว่าเขามีศีลหรือไม่เขาเคยติดคุกติดตารางมาหรือเปล่าเขาเป็นคนชอบโกหกหลอกลวงหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นการ <c oughs> เป็นการวัดคุณค่าของคนถ้าเป็นคนมีศีล น, นี้จะเป็นคนที่มีคุณค่าราคาะ แต่ถ้าไม่มีศีนี่จะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าราคาอันนี้คือคือความอายอย่าทําบาปเพราะทำบาปแล้วจะทําให้เราเป็นคนไม่ไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นคนอับประลักพูดง่ายๆถ้าทางร่างกายก็เป็นอัประลักทางหน้าตาร่างกายทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคนที่ไม่มีศีก็เป็นคนอับประลักคนไม่สวยงาม ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยแล้วก็ให้มีโอต ป, ปะปือให้มีกลัวกลัวกลัวโทษของการกระทำบาปว่าต้องเชื่อว่าทำบาปแล้วมีโทษตามมาอย่างแน่นอนโทษโทษเบื้องต้นก็คือทำให้ใจเราไม่สบายทำให้ใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ตกกงังวลโทษ ต่อไปคือหลังจากที่เราตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในอบายอันนี้ก็จะทําให้เราไม่กล้าไม่กล้าทํำบาปได้ทําให้เรารักษาศีลได้อั น, นี่คือคือศินห้าพอเราสามารถรักษาศินห้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขระดับที่สูงกว่าระดับศีลห้าได้คือระดับเนกเนกขมัมมะ ในข ม, มานี้ในข ม, มาบรารมีนี้แปลว่าการออกจากการหาความสุขขังกามอารมณ์คือจะไม่หาความสุขจากรูปเสียงจิตรสผละจะไปหาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่สูงคือระดับสมาธินั่นเองก็แทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรก็ไปอยู่วัดไปถือศีลแปด ก, กัน เรียกว่าเป็นการเจริญเนคขมภะบารมีคือไปไปเจริญชีวิตของนักบวชเนคขมภะบารมีแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่หาความสุขจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสผลพาชนิดต่างๆด้วยการถือศีลแปดศีล8ปกับศีลห้าก็เหมือนกันต่างกันตรงที่ศีลข้อสาม สิลข้อสามของสินห้ายังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับแฟนได้แต่ถ้าถือสินสินแปดแล้วสินสิลข้อสามนี้ก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นคือไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากมหัร บ, บันเทิงต่างๆ ไม่ให้หาความสุขจาก <c oughs> จากการเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนบนบนเตียงอันสำหรานที่จะทำให้นอนมากจนเกินไปนี่คือเนคขมมะคือถ้าอยากที่จะได้ความสุขที่สูงกว่าต้องระ ง, งับการหาความสุขที่ต่ำกว่าความสุขที่ต่ำกว่าก็คือความสุขที่ ที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถภพนั่นเองแล้วความสุขที่สูงกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทำทำใจให้สงบทาใจให้นิ่งเป็นอุเบกขาอันนี้จะได้ความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการเจริญเนคข ม, มะบาลมี ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้ในการหาความสุขจากรูปเสียงนี้มาใช้กับการทำใจให้สงบมาฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อสร้างเนตรขมมะบา่อสร้างอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีคือใจที่เป็นกลางใจที่ไม่มีความรักชังกลัวหลงใจที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ ปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพปล่อยวางอะไรต่างๆได้หมดใครจะเป็นใครจะตายใครจะชมใครจะด่านีะใจจะไม่เดือดร้อนสำหรับผู้ที่สามารถที่เจริญอุเบกขาบาลมีได้<ม>การจะเจริญอุเบกขาบาลมีก็ต้องอาศัยการเจริญเนธขมบารมีมถือสินแหรือหรินสิบหรือสิน 10, ร้ีิบ แล้วก็ไปปีกวิเวกอยู่ในสถานที่สงบสงัดสงบสงัดเพื่อที่จ ะ, จะเจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าหยุดความคิดความปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบใจก็จะเย็นจะสบายเวลาออกจากสมาธิมาใจก็ยังจะวางเฉยได้อยู่ในระดับหนึ่งเวลา มีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกนิ้นกายหรือทางใจใจก็จะเฉยเฉยไม่ไม่หวั่นไหวได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลาใครเขาด่าใครเขาชมก็จะรู้สึกเฉยเฉยเวลามีเหตุการณ์ที่เลวร้วายเกิดขึ้นก็จะไม่ไม่เศร้าไม่เศร้าโศกเสียใจประการใดถ้ามีอุบเบกขานแต่อุบเบกขานี้ จะอยู่ได้ไม่นานหลังจากที่ออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะให้รักษาอุเบกขาให้อยู่ไปนานๆไมห่หมดก็ต้องเจริญบา ร, รมีขั้นต่อไปก็คือปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีจะสอนใจให้ปล่อยวางให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการปรากฏการทางธรรมชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เป็นเรื่องของธรรมชาติเขาแม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายที่จะต้องพัดพากจากกันละกันนี้มันเรื่องเป็นเป็นเรื่องของการปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามหรือไปบังคับมันได้มันจะต้องเป็นไปตามตามเรื่องของมันเหมือนกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี้ก็เป็นเรื่องปรากฏการทางธรรมชาติ ที่ไม่มีใครสามารถจะไปควบคุมบังคับได้ถ้าอยากจะไปควบคุมบังคับก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยเปล่าประโยชน์อะไรถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะให้ใจสงบอยากให้ใจสงบด้วยอุบเบกขาก็ต้องมองและยอมรับความจริงยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการจ่อยขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่มีใครที่สามารถที่จะมาขัดขวางหรือม า, อามาควบคุมบังคับธรรมชาติได้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นใจของพวกเราเนี้มาเกี่ยวข้องกับร่างกายและมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ต้องเข้าใจว่าเรากําลังเกี่ยวข้องกับเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ ถ้าเราต้องการให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรามันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงความจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีก็าตามมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกับฝนตกแดดออกน้ำท่วมไฟพายแล้อะไรเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีดีบ้างไม่ดีไม่มีดีบ้าง แต่เราก็สบายก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งธรรมชาติให้มีแต่เรื่องดีๆได้ธรรมชาติเขาก็ทาหน้าที่ของธรรมชาติไปเมื่อเรามาอยู่ในโลกของธรรมชาติเราก็ต้องฉลาดให้รู้ทันธรรมชาติแล้วอย่าไปคอยอย่าไปบังคับหรือไปควบคุมธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วเราก็จะอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขเราจะไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือปัญญา คือการมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีมีฝนตกมีแดดออกมีมีมืดมีแจ้งมีสุขมีทุกข์มีเจริญมีเสื่อมเป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครสามารถที่จะมายับยั้งมาเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วใจก็จะปล่อยวางเป็นอุเบกขาได้ จะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีหรือจะชั่วก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินี่แหละคือความสุขที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าลแถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงก็เกิดจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอยู่หข้อด้วยกันก็คือให้เรา ปฏิบัติทานบาลมีเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีภูมิคขาบารมีและปัญญาบารมีถ้าเราปฏิบัติได้แล้วใจเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปจะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา อยาขออนุโมทนาให้ผ่อนยาตาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวามีวะอิโตทินังเปตานังอุปปกปติอิชิตังปัทิตังตุมหังพิปามีวะสมิจโตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยทาเมณิโชติราโสยทาสพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโน ยตารวธรรมวทันติอายุวานโสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเดียวที่เราจะได้ถามตอบ ก, กัน อยากจะถามเองก็ได้หรือเข้ามาเขียนข้อความส่งเข้ามาใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือมีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้กลับเรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมหานากุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ446ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 295 YouTube ด r V 80วิทยุออนไลน์13คลับ h ฮา s e 10นากุด130รวมทั้งหมด974ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากุดค่ะ สามีปฏิบัติธรรมและอยากจะบวชพระตลอดชีวิตที่เหลือแต่ภรรยามีความรู้สึกไม่อยากให้จากกันด้วยการไปบวชอยากอยู่เคียงคู่กันไปแบบนี้อยากอยู่เคียงคู่กันไปแบบนี้ภรรยาจะบาปไหมแล้วสามีจะได้บุญจากการบวชไหมคะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนเรื่องบวชของสามีก็เรื่องบวชของสามี เรื่องภรรยาไม่อยากให้เขาบวชภรรยาก็จะทุกข์เท่านั้นเองไม่บาปเราเพียงแต่ว่าตัวเองก็จะทุกข์เพราะว่าไปขัดใจเขาไม่ส่งเสริมเขา<ม>เขาก็จะไม่อยู่กับเราอย่างมีความสุขเพราะว่าเขา<ม>เขาไม่สนใจกับการที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วเขาอยากจะไปอยู่แบบชีวิตเดียวเห็นการอยู่ร่วมกันก็จะไม่เหมือนตอนเมื่อก่อนนี้ตอนเมื่อก่อนนี้เขา ยังชอบชีวิตคู่อยู่ก็อยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขแต่ถ้าเขาตอนนี้เขาไม่มีความอยากที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วแล้วบางคับให้เขาอยู่ด้วยเขาก็จะอยู่แบบผืดผนใจเขาจะไม่ได้อยู่แบบยินดีเหมือนเมื่อก่อนความสุขเราจะได้ก็ไม่ไม่ไม่ได้อาจจะไม่อาจจะทุกข์เสียด้วยซ้ำไป ทางที่ดีปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเราก็หาใหม่ได้ถ้าเราหาคนที่เขารักเราเา็าอยากจะอยู่กับเรามีเยอะแยะไปทำไมต้องไปเอากับคนที่เขาไม่อยากจะอยู่กับเราแล้วเมื่อเขาไม่อยากจะอยู่กับเราก็ปล่อยเขาไปคนไม่มีคนเดียวหรอกผู้ชายผู้หญิงไม่มีคนเดียวในโลกนี้หรอกบองคนก็ แต่งแล้วยายาแล้วแต่งเป็นสิบครั้งก็มีค่ะคำถามจากทาง y o u t u ด็อกเตอร์ค่ะทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดศีลข้อสีห้ามพูดเท็จบ่อยๆเจ้าค้าเช่นการโกหกเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะเอาบัสตาต์มาปิดปากไว้เยค่ะคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ เวลานั่งสมาธิลมหายใจยังมีอยู่แต่สติชัดที่ลิ้นปียมควรกำหนดยมควรกาหนดรู้ที่ไหนคะขอบคุณค่ะที่ไหนก็ได้ขอให้กำหนดอยู่ที่จุดเดียวอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไม่มีคําถามค่ ะ, เ, คะเวลานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรคอยยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจลอยไปตามกระแสของความคิด ความคิดนี้เหมือนเนกับกระแสน้ำที่มันไหลมาอยู่ตลอดเวลาเวลาเราจะทำใจเราให้เรานิ่งเราก็ต้องมีอะไรไว้ผูกใจเช่นลมหายใจเข้าออกลมหายใจจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่เน่าก็ได้แล้วแต่ว่าแบบไหนจะถนัดจะชัดกับเราเราก็ดูตรงจุดนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับกระแสความคิดที่ยังคิดอยู่ มันจะคิดเข้าไปไมันคิดไปแต่เราจะอยู่กับลมไปเราจะอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไป้าเราอยู่กับลมไปเรื่อยๆต่อไปกระแสะของความคิดมันก็จะเบาลงเบาลงแล้วมันก็จะหยุดไปในที่สุดพอมันหยุดแล้วใจเราก็จะสงบมีความสุขจากการนั่งสมาธิคำถามจากทางคำถามจากทางเฟค่ะ เขาถามว่าบรารมีอีกสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าสะสมไม่จําเป็นสําหรับค า, ารวะหรอครับคือมันเป็นบารมีที่ใช้ในการสร้างบารมีเป็นเครื่องมือเหมือนเวลาก่อสร้างบ้านนี้นเราต้องมีวัสดุก่อสร้างเช่นมีอิฐมีปูนมีมีทรายมีอะไรอันนี้เป็นวัสดุก่อสร้าง แต่เราก็ต้องมีเครื่องมือมีจอบมีเสียงมีค้อนมีเลื่อยมีอะไรบารมีสี่ข้อนี้เป็นบารมีที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือเช่นอธิษฐานบาลมีแปลว่าเราต้องเป็นคนที่มีความแนวแมีความตั้งใจในในการที่จะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีการตั้งใจอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจเช่นตั้งใจจะทําบุญทุกวันอย่างนี้ ผมว่าเราตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะใส่บาตรทุกวันอันนี้เรียกว่าเรียกว่าอธิษฐานบารลีนั่งใจว่าจะใส่บาตรเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะต่อการตั้งใจของเราคือเราต้องไม่โกหกตัวเราเองไม่ใช่ตั้งใจว่าจะใส่บาตรพอถึงเวลาตอนเช้าก็ขี้เกียจตื่นขึ้นมาอย่างนนี้เรียกว่าเราโกหกไม่มีสัจจะถ้าเรามีสัจจะว่าเราจะใส่บาตรทุกวัน พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บเราก็ต้องรีบเตรียมตัวใส่บาตรนี่เรียกว่ามีสัจจะอธิษฐานสัจจะแล้วก็ข้อที่สามคือวิริยะความความขยันหมั่นเพียรต้องต้องพยายามต้องทําทุกวันอย่าขี้เกียจวันไหนขี้เกียจก็ต้องฝืนมันต้องบังคับมันต้องมีความขยนันแล้วก็มีความอดทนบางทีอยากจะนอนสายสายตื่นสายสายเพื่อมันได้สบาย แต่ต้องต้องตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาทำบุญถ้าไม่มีความอดทนก็า จ, จะทำไม่ได้นี่คือเครื่องมืออีกสี่ข้อบารมีอีกสี่ข้อที่เราต้องต้องมีในตัวเร า, าเวลาต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจไว้ไม่เปลี่ยนใจไม่โลเลตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่า วันนี้ร้อนเกินไปวันนี้หนาวเกินไปวันนี้ไม่ค่อยสบายอะไรมีข้ออ้างไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นการจะสร้างบา ร, รมีต่างๆได้ต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะแล้วก็มีขันติ <c oughs> สี่ข้อนี้ถึงจะสามารถทำให้การสร้างบา ร, รมีต่างๆสำเร็จรุ่เรื่องไปได้ ถามสากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติคะ่ะ <c oughs> ขอโอกาสเรียนถามบัวสีเหลาเราสุดท้ายที่เป็นอาหารของเต่าและปลานี้รวมถึงผู้ที่มีปัญญามากแต่มืดบอดด้วยหรือเปล่าด้วยหรือไม่เจ้าคะขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายคะ่ะคือถ้าปัญญาทางโลกเราไม่ถือว่าเป็นปัญญาถือว่า ป, ปัญญาทางโลกนี้อาจจะกลายเป็นเป็นความมืดบอดทางธรรมก็ได้ <c oughs> เพะฉนั้นคนที่เก่งทางโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าจะฉลาดทางธรรมอาจจะเป็นเหมือนพวกที่บัวใต้น้ำก็ได้เพราะความฉลาดของเขานี้อาจจะมาปิดกัน้นความจริงของธรรมก็ได้ทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นความจริงของธรรมเช่นเขาปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์เขาตายแล้วไม่มีไปเกิดใหม่เพราะเขาเขาเป็นแพทย์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาร่างกายก็มีแค่ร่างกายทท่นี้ แล้วพอร่างกายตายไปแล้วใครจะไปไปรับใครจะไปเกิดใหม่ใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์เขาก็ปฏิเสธทันทีเอาปฏิเสธว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายเรื่องตายแล้วตายแล้วไปเกิดใหม่นี้เป็นเรื่องงมงายตายแล้วไปสวรรค์ไปนรกไม่มีสงจะรวดขึ้นไปถึงดวงจันทร์แล้วก็ไม่เจอสวรรค์ขุดเจาะน้ำมันลงไปในดินก็เจอแต่น้ามันไม่ไม่เจอนรก เพราะฉะนั้นความฉลาดเหล่านี้มันสามารถมาปิดกั้นความจริงที่ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อันนี้จะต้องเรียกว่าฉลาดทางโลกแต่งโงท่งทางธรรมคําถามจากทางเฟซบุ๊ก ค, ค่ะสุนัข ก, กับแมวจอนจัดชอบมาอยู่ที่บ้านด้วยอยากทราบว่าเกิดจากการที่มีกรรมต่อกันหรือเปล่าครับหรือเกิดจากอะไรครับ มันจะเกิดจากอะไรไม่สําคัญเท่ากับว่าเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรเราจะให้ความเมตตากับมันหรือไม่จะสําคัญกว่า mm hmm. เมื่อมันมาแล้ว mm hmm. เราจะให้ความเมตตาหรือไม่เอาตรงนี้ดีกว่า mm hmm. เพราะว่าเหตุที่พาให้มันมามันอาจจะมีหลายเหตุด้วยกันซึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องไปวิเคราะห์เสียเวลา mm hmm. สิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือตอนนี้เราช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่า mm hmm. เราอยากจะสร้างบรารมีหรือเปล่า าตรงนีีด้ดกว่คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการสวดมนต์ที่บ้านกับการสวดมนต์ที่วัดอย่างไหนดีกว่ากันคะจะดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่วัดหรือที่บ้านอ่ะมันอยู่ที่สติถ้าสวดนั้ไม่มีสติที่ไหนมันก็ไม่ดีนั่นใจลอยนะแต่ถ้าสวดที่มีสติที่ไหนมันก็ดีทั้งนั้นนะังนั้นอยู่ที่สติการสวดมนต์นี้เป็นการฝึกสติจเจริญสติ คือให้ใจเราอยู่กับบทสวดนวนไม่ใจไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เราสวดบางทีปากเราก็สวดไปแต่ใจเราก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้อย่างนี้เรียกว่าสวดแบบไม่มีสติถ้าสวดแบบมีสตินี้ใจต้องอยู่กับบทสวดอย่างเดียวคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะกรสินญาณคืออะไรคะเหมือนกับการปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่คะกรสิน กสินญาณค่ะคือกสินก็เป็นอารมณ์ที่เราใช้ในการปฏิบัติแทนอารมณ์หายใจได้คือเราให้เราเนึกถึงสีสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองสีใดสีหนึ่งขึ้นมาในใจเราหลับตาแล้วนึกถึงสีขาวเนี่ยให้มองเห็นพอหลับตาแล้วก็ในใจเราก็จะในจอภาพในใจเราก็จะเป็นขาวล้วนๆไปอย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่มีเราก็ลืมตาดูสีขาวก่อน แล้วก็จำสีขาวนั้นไว้ระลึกถึงนึกถึงสีขาวนั้นแล้วเราก็หลับตาแล้วเริ่มนึกให้มันปรากฏขึ้นมาในใจเป็นสีขาวขึ้มาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้กสิ่งเพื่อทําใจให้สงบได้เหมือนกันแต่มันยากกว่าการดูลมลมมันมีอยู่แล้วไม่ต้องมาสร้างมันขึ้นมาแต่ภาพนี้เราต้องเราต้องจินตนาการขึ้นมาในใจเราอีกที ถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะมานาทิฐิแก้ด้วยทำใดคะด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนทําเป็นคนเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายอย่าเป็นคนอวดเก่งอวดฉลาดให้เราคิดว่าความรู้อะไรต่างๆในโลกนี้ยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ความรู้ที่เรามีรู้อยู่นี้มันเป็นเพียงแค่ใบไม้ในกํามือเท่านั้นเอง แต่ความรู้ที่ยังมีอยู่ในโลกที่เรายังไม่รู้นี่เหมือนกับใบไม้ในป่าเนี่ยเต็มไปหมดถ้าเรามองอย่างนี้แนละ้วเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ฉลาดหรอกเดินจงกรมแล้วใส่หูฟังทำไปด้วยกับเดินจงกรมแล้วกําหนดพุธโธอย่างเดียวแบบไหนดีกว่ากันครับเอาแบบพุทธโธจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดเครื่องเสียเราจะทํำยังไงแต่ถ้าเรากําหนดพุธโธนี่มันไม่มีวันเสีย สามารถกำหนดได้ตลอดเวลาเอาแบบพุทธการดีกว่าอย่าเอาแบบสมัยใหม่เลยแบบสมัยใหม่นี้เดี๋ยวเกิดเครื่องเสียก็ฟังก็ฟังทําไม่ได้แนะ mm. ก็เลยจะไม่ไม่ปฏิบัตินะ mm. แต่ถ้าเราใช้พุทโธพุทโธนี่พุทโธ mm. ไม่มีวันเสีย mm. เราสามารถพุทโธได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งทุกคนค่ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การใช้ชีวิตรประจำวันพยายามจะดูกายเวลาเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเ้อเิแป๊บเดียวจิตก็ไหลไปคิดพอเรารู้สึกตัวก็กลับมาดูกายต่อแต่บางทีไหลไปนานเลยเจ้าค่ะต้องทำอย่างไรเจ้าคะถึงจะรู้สึกตัวได้ตลอดเวลาก็าใช้พุโทโธ ก, กลับกลับด้วยก็ได้พยายามให้เราถึงพุโทโธอยู่เรื่อยๆความพร้อมกับการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป ถ้าเชือกเส้นเด็วไม่อยู่เอาเชือกเอาเชือกสองเส้นเลยเอาพุโทโธด้วยเอาการกำกับดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปด้วยพร้อมๆกันก็ได้คำถามอีกท่านหนึ่งคล้ายๆกับคำถามที่แล้วนะคะ คือทำอย่างไรจึงจะไม่หลงไปกับความคิดรู้สึกตัวบ่อยๆในการใช้ชีวิตประจําวันได้เจ้าขาะนัน่นแหะมันพยายามมาเลิกถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆ เ, เอาพุโทโธ เ, เป็นเส า, เสายึดเหนี่ยวจิตจะอย่าปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิดอย่างนี้พอเราไม่พุโทโธก็แสดงว่าเราเริ่มไปแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตดูตอนนี้เราพุโทโธอยู่หรือเปล่าถ้าไม่พุโทโธก็รีบดึงกลับมาึดงดึงพุโทโธกลับมา คำ ถ, ถัดไปค่ะสัตว์ที่เราทำร้ายเขาแบบไม่ตั้งใจแบบมดนะคะไม่เห็นเขาแต่พอเห็นยังมือไม่ทันบาปไหมคะถ้าไม่มีเจตนาก็ยังไม่บาปคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ จิตคือผู้รู้และผู้คิดจะอยู่คู่กันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเมื่อเป็นผู้คิดก็เห็นแต่ทุกข์และปรุงไปตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบอารมณ์ดีก็สุขอารมณ์ทุกข์ก็ไม่อยากทุกข์ทำอย่างไรเจ้าคะถึงจะเป็นผู้รู้ได้ตลอดเวลาเพื่อให้พ้นทุกข์หรือจิตเขาจะอยู่คู่กันแบบนี้ไปตลอดตั้งแต่เกิดจนตายนอกจากจะต้องมีปัญญาและอุเบกขาจากการฝึกสมาธิเพียงพอและเห็นค<ะ>่ะก็ต้องใช้สติหยุดความคิดให้ได้ ความคิดเราหยุดได้ถ้าเราใช้สติชันพุโทโธพุโทโธถ้าเราอยู่พุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดมันก็ต้องหยุดมันคิดไม่ได้ค่ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเราถือศีลแปดเราแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันหรือเสื้อผ้าที่มีเครื่องประดับที่ติดมากับเสื้อผ้าถือว่าผิดศีลแปดไหมคะก็ไม่ต้องการให้เราเสริมเสริมสวยความงามนีย จะหาเสื้อผ้าที่มันเรียบง่ายไม่มีก็ซื้อใหม่ก็ได้ของหรูหราเรานั้นเราก็อย่าไปใช้มันถ้าเราถือสินแปลคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ <c oughs> เป็นคนดวงดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับอะไรครับอะไรดีหรือไม่ดีเป็นคนดวงดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับอะไรก็อยู่บุญที่บาปาบุญกับบาปถ้าถ้าทำบุญมาเยอะก็ดวงดี ถ้าบทําทบาปมาเยอะก็ดวงไม่ดีค่ะคําถามจากทางยูทูบด็อร V ค่ะคน ว, วางจิตอย่างไรเมื่อถูกผู้อื่นเบียดเบียนทั้งที่เราเมตตาแล้วเมตตาอีกเราืิดว่าเป็นกรรมของเรากแล้วลกันเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาก็ห้ามไม่ได้เพราะเป็นกรรมของเราที่มาเกิดถ้าเราไม่อยากจะเจอก็อย่ามาเกิด